ข้ยืบเจ็ดเนึ่ยจะบ้าละเอียดแล้วก็อ่านคำอธิบายฟังอธิบายทั้งหมดนะเพราะตัวนี้จะกี่กับของของกับผู้หญิงก็มีข้อบ่งบอกเหมือนกันนะครมีคำอี่บางเหมือกันเลยเพราะนั่นข้อยิบเจ็ดเนี่ยจะให้มีนะ่นที่สู่รูปใ ด, ดนันหมายกับทีุ่ดนี้แล้วถึงดําเนินไปสู่ผลทางไกลเส้นเดียวกันโดยที่สุดแม้แค่ชั่วระยะหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง นอกจากมีสมัยที่จาเป็นต้องอาบัตดปาจิตติคําที่กล่าวต่อไปนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นคือเป็นหนทางที่จะต้องไปกับผู้เครียรเพราะกันดาเป็นหนทางที่เมื่อหวาระแวงเป็นหนทางที่มีอันตรายนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้น ที่สู่ช่างชวนกันเดินทางไกลกับพิษณีถ้าจริงๆว่านั่นหมายนั่นหมายตรงตัวนะเพราะความว่าช่างชวยที่น่นหมายคือว่ามีการนั่นหมายกันที่แท้เกิดไปที่ศึกษาวันนี้คือนั่นหมายทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายมีการนั่นหมายช่าชวนกันนะครับไปกันเถอดน้องหญิงไปกันเถอดพวกกุญแจนี่นะทั้งสองฝ่ายชวนกันนะครับเราไปด้วยกันน้องหญิงเราไปด้วยกันพวกกุญแจนี่นะครับเราไปพรุ่งนี้ เราไฟเมื่อนี้อะไรนี้นะมีการนัดหมายหน่วยเวลาบ้านจะไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้นะแล้วก็ดําเนินไปด้วยกันนะครับโขนทางไกลอันนี้จะต้องอาบัตเมื่อไหร่แม้จะต้องอาบัตไปเสี้ยคือเมื่อเลยหมู่บ้านนี้แล้วก็เข้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านแรกยีงไม่มีการต้องอาบัตินะคุณเดินมาเถิดสมมติว่ า, วาของสุน้ใชัเนี่ยอยู่ในเขตหมู่บ้านเขาจะเกียบนะครับ แล้วก็เดินไปถึงบ้านเขาตะเกียกไม่ต้องอาบัดนะถึงมันจะชักชวนแล้วแต่ว่าตอนชักชวนนำเป็นอาบัดทุกกฎก่อนมันจะมีชักชวนในในที่ที่มันเป็นอาบัตรก็มีนะเราชักชวนในวันตอนดีในสำนักพิษุนีก็ดีนะอันนี้ไม่ต้องอาบัดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ชักชวนหนี่งเดนจะมีนะชักชวนอาจจะพยยามภูงก็แล้วกันอันนี้นะครับจะต้องมาทุกกฎเพราะชักชวนก่อพอเดินไปเนี่ยหมู่บ้านเขาตะเกียกใช่ไหมยังไม่เม็นการต้องอาบัดนะครับเลย จนเลยบ้านเขาจะเกี่ยวไปแล้วเข้าเข็นมูบ้านอีหมู่บ้านหนึ่งะครับก้าท้าแรกเป็นทุกข์กดพอก้าวท้าที่สองต้องไปตีนะครับเนี่ยแน่ต้องมาตรงนี้ต้องเข้าถึงหมู่บ้านที่สองหบ้างที่สามเรามู่บ้านแรกที่มีนเป็นอาจารย์ก็เลยใช้คําว่าช่วระยะหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับคือเข้าไปหมู่บ้านนี้ทีนี้ไม่ใช่แค่หมู่บ้านที่สองนะะหมู่บ้านที่สามที่สี่ทห้าก็ต้องเลื่อนเป็นไปตีหลายตัว ตามจำนวหมู่บ้านที่เข้าไปแจำนวนบ้านจำมวนบ้านนะครับจะพะบ้านแรกที่ไม่ต้องนู่นนี่อะไรไปถ้าไม่มีหมู่บ้านทำไงต้องเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีหมู่บ้านเลยกําหนดเอากึ่งโย่แปดกิโลนะครับจะต้องบัดไปที่ทุบทุกกึ่งโย่นะทุบทุแปดกิโลนะครับอันนี้เอารวมไปนะรวมไปแปดกิโลก็ต้องตัวแปดกิโลก็ต้องตัวนะครับมันเป็นแบบนี้สมัยนี้นั่งรถไง อันนี้ใสายใช้ดีแม่กับผู้หญิงก็มีคําที่ไปอย่างนี้แหละนะครับคือถ้าขับไปแน่นอนว่าเราควรให้ขับยถเก่งเมื่อขับรถเก่งแล้วภาคก็ต้องไปด้วยแล้วโยมนี่ก็จะเป็นโยมโยมแม่ของพี่เก่งเนี่ยครับมันจะหลีกเลี่ยงยังไงใช่ไหมเป็นการช้างชัวร์ด้วยครับมันที่มันเป็นการช้างชัวร์นะ ช่างชวนมันมีการนั่นนั่นชวนกันไปนะครับทั้งสองฝ่ายด้วยนะถ้าเราบอกข้ความประสงค์ว่าเราจะไปหาหมอแค่นี้ยังไม่เป็นนะครับเราก็การไปหาหมอนะครับในี้ยังไม่เป็นไม่ถือเป็นการชวนนะเราบอกความประสงค์ใช้นี้ได้นะครับในนี้น่าได้แต่ถ้าการชวนอะ่ะมันต้องอยู่ว่าไปกันเถอดอย่างนี้นะเราไปด้วยกันโย <c oughs> เราไปลงมานด้วยกันอย่างนี้นะ สนามการชัาชวนนะครับถ้าว่าที่สุดชวนฝ่ายเดียวเป็นําบัตผู้กดแต่นี่มีการชวนเป็นการทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็ชวนเข้าชวนต่อใช่ไหมก็ต้องไปอีกตีแต่ถ้าผู้หญิงชวนเราฝ่ายเนี่ยวนะไม่ต้องอาบัตนะครับถ้าจะชวนเ อ, าพอพ้าวก็คืนจ้าโยกอย่าเจนนี่มอนก็คืนจ้าเนี่ยไปแช่น้ําร้อนที่ห้วยแรกแ่ซะหน่อยโอเคโยก คาว่าโอเคเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเชิญชวนนะมีการรับฝ่ายเฉยใช่ไหมอันนี้ถือว่าผู้หญิงเขาชวนฝ่ายเดียวนะครับถ้าชวนฝ่ายเดียวหงก็ไม่ต้องอาบัตนะตอนหนึ่งก็เออท่านบอกไปกระเถิญน้องหญิงดีในเนี้ยเราถือว่าเราชวนเขาต่อแล้วใช่ไหมครับแล้วเราบอกอ๋อโอเคตกลงไว้เนี้ยก็ยังถือว่าชวนฝ่ายเดียวนะนะต้องสดัชวนได้กันทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าบอกความประสงคนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ใช really so ่เวลาผมกลับไปบ้านต้องยมมารับใช่ไหมไปที่เชียงใหม่ก็ดีหรือไปที่กรุงเทพก็ดีเนี่ยก็ยินยอมพี่มารับรับบอกอ้าวยอมพี่ทำไมจะถึงในเวลานี้มารับด้วยนะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายบอกให้มาแล้วไม่ได้บอกให้เดินทางไปด้วยกันนะครับไม่ไปทำชวนนะหรือว่ามารับเฉยนี่นะครับเนี่ยเคยถามอาจารย์ว่านี้ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าบอกว่ามารับด้วยแล้วก็ ไปส่งสมาไปด้วยกันที่นูน่นอย่างนี้แหละไม่ได้นะถ้าบอกว่ามารับเฉยเฉยเขาอยู่พามันไหนก็ได้แต่เราก็บอกความประสงค์แล้วใช่ไหมงานที่ไหนแะ้วเาบอมารับแค่นั้นเลยครับแค่เพรว่ามารับเนี่ยยังไม่ได้เป็นการเชิญชวนนะครับอย่างนี้นะทีนี้ก็มีมีสมัยที่สา ม, มารถอชวนกันในทางไกลได้กับพิจุนีนะครับอันนี้กับผู้หญิงไม่มีนะ ตรงตรงตรงัวนี้มีเฉพาะกับพิสุณีนะครับขนถ่ายต้องไปกับพวกเกวียนเพราะม่นขนถายที้กันดานนะครับมันลำบากขาดแคลนนะมันไม่มีน้ำใช่ไหม น, นะครับหรือทางเมื่อก่อนเดินทางการทะเลสายก็มีนะหรือที่ที่มันแห้งแล้งนะครับนั่นแหละบากอันนี้ก็ไปได้มันต้องไปกับพวกเกวียนนะถึงจะผ่านทางนี้ไปได้นะอันนี้ก็สามารถช่วยกันเดินทางกับพิสุณีได้ แล้วก็เป็นสถานที่หน้าว่างอะแวมีภายในข้อหน้าจําไหมคือวิสษานที่มีพวกจรสซุ่มอยู่นะครับมีร่องรอยการสมถมรัชถุพจน์ถุที่ถุข่าอะไรนี่นะเนี่ ย, นะยลักษณะ น, นั้นก็เชื่อนในทางการกับพิสุนีไนดะ้ครับแต่ถ้ากับผู้หญิงจะไม่มีขอ้อยไว้เหล่านี้นะดูเข้าิบที่วลาเหมาอนคะุณมาเล่ช่วงปัญหาออันนี้ที่แปลมายกผู้หญิงครับ เจริบเ้ริะครับพระเจริย์ยงภูมังเลยงภูมัเลนครับพรนมนต์เราไปใช่ไหมไม่ได้เกียรยงบาสิกาอยู่ที่ไหนเะครับไม่เจียร์นะอันนี้เรามต้นมันหญ่ากเรันเรื่องของเพสุนีนะเรื่องของพระจ้าปิชนี่นโดยสมัยนั้นพุทธมารุะเจ้าประทับอยู่น้าะเชลวัน อารมของนาธรรมวิติการข้ามปฏิเขปพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระเจักขีชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกับพวกพิษุนีคนทั้งหลายพากำแพ่งเท่าติดเตรียมพุทนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้เที่ยวยไปกับพวกพิษุนีเหมือนพวกเรากับภรรยาเดินเที่ยวยกันฉะนั้นเนี่ยก็เห็นพิสุกับพิสุนีเดินทางไปร่วมกันใช่ไหมเขาก็เลยว่ากันนะครับ พิสุทธิ์ทั้หลานไินคนเหล่านั้นเพง่งเท่าติดเต็มปุฒนาอยู่บรร ด, ดาที่เป็นผู้มากน้อยส่วนต่างต้องเพ่งเท่าติดเต็มปุถนาแล้วก็ก็การเป็เจ้าสงสารนะครับพุทโธคนชุมสงทรงสองเามรงสี่เตี้ยแล้วก็มีสิกขาบทนี้ขึ้นมาสิกขาบทั้งแรกยังไม่มีเพราว่าไว้มาแต่สมัยนะที่ไม่มีนครับก็มีเรื่องของพิสุทกับพิสุีหลายรูปเกิดขึ้นอีกก็คือโดยสมัยนั้นแหละพิสุิและพิสุณีหลายรูปด้วยกัน จะพากันเดินทางไกลาจากเมืองสาเกตเป็นพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพิษุนีพวกนั้นพบพิสุพวกเธอได้กล่าวคํานี้ว่าแม้พวกฉันก็จะไปกับ พ, พวกพระคุณฑะด้วยพิสุพวกนั้นพูดว่าดูก่อนน้องหญิงการช่างชวนกันแ้วเดินทางไกลร่วมกันกับพิษุณีไม่สมควรพวกเธอจะไปก่อนหรือพวกฉันจับไปแต่ความจริงท่านไม่ได้ช่วนอะไรก็ไม่เป็นแนละ้ พิษณุนิพนั้นก็ตอบว่านะครับพวกพวกพระคุณเจ้าเป็นชายผู้เลิศล้ำพระคุณเจ้า น, นั่นแหละจงไปก่อนนี่นะเพราะวิสุทธิไม่เดินด้ทำรุ่งพิษุนิพุนเขาจะพาไปก่อนยังไงพวกพิษณุนิพุนนั้นเดินทางไปชายหลังพวกจนในระหว่างทางได้พากันแย่งชิมและประทุสลา้ายนะครับโอ้จนนี้ร้ายมากนะแล้วเดินหลายที่นะครับที่จงไม่รู้มคือพิษณุนีพิษนี่นะ โอ้เมันแก่งกลัวบาปกรรมนะครพวกนี้บาปนะห้างห้างสวรรค์ น, นะครับห้างสวรรค์ห้างนิพานนะถ้าขืนใจนะไม่ได้นะครับอันตรายเนี่ยพวกนี้ห้ามบวชเลยเป็นนะอันภ่อข้าบุคคลบวชไม่ได้นะครับและพวกนี้ก็ห้างสวรรค์ น, นิพานด้วยนะครับนะีรับพิจุนีครั้งพิจุนีพูดแล้วไปถึงพระนครสามวันีได้แจ้งในนันแก่พิจุนสาลพิจุน ได้แจ้งเงินเก็บนูงนนาผู้สูงว่าการท่พระเจ้าทรงสร้างนะครับผู้ดูองก็ทรงอนีญานะครับผู้องทรงทรงมีคาถานะแล้วก็ทรงอนุโมทย์เพิ่มเข้ามันะครับว่าไมไว่แต่สมัยนะให้เดินทางลมกันได้ที่ว่านะครับเนี่ยถ้าผู้อธิบายถึงการช่างชวนเป็นยังไงช่างชวนเป็นว่าไปกันเถิดน้องหญิงไปกันเถิดพ้าคุณเจ้าไปกันเถิดเจ้าข้า ไปกันเถอะจ้าพวกเราไปกันวันนี้ไปกันวันพรุ่งนี้หรือไปกันวันมะรนนี้อย่างนี้ต้องปทุกอบอันนี้เขามีพูดถึงว่าไม่ว่าหมู่บ้านติดติใกล้ๆกันนะแค่ชั่วไก่บินถึงอย่างนี้นะในชนบทที่แบบมั่งคั่งใช่ไหมหมู่บ้านจะใกล้กันมากใช่ไหคแค่ว่าไก่อยู่หมู่บ้านนี้ขึ้นมีมมูลค่า และก็บินไปมันก็ข้าไปถึงหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะครับในชนบทที่หมู่บ้านมันถึงกนที่ในเมืองนี้ใช่ไหมมันจะมีหลายหมู่บ้านหลายชุมชนนะครับอันนั้นมันก็นำบทนะแต่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านอะไรนะครับทีนี้เรามาดูคำที่บานในกลางฐาน้อหน้าร้อดสิบห้อันนี้ก็ใายใจนะครับต่อไปเกี่ยวกับผู้หญิงท่านจะไม่ิบายลาเอียวัอการนอนตรงนี้ไหข้อที่เจ็ดนะครับ อธิบายสาวิธานัสิกขาบทพึงทราบอธิบายสิกขาบทที่เจ็ดต่อไปคําว่าชักชวนสาวิทยายาได้แก่ชักชวนคือการนัดหมายนัดกันไว้ก่อนเดินทางในความชักชวรรนที่นะมีการนัดกันก่อนเดินทางคําว่าเอกัตทานะมะคังได้แก่หนทางคือทางไปไกลแห่งหนึ่งหรือทางไกลที่ต้องเดินร่วมนไป คำว่าสถานข้ามไม่ดียแปลว่าหนทางที่ต้องไปขอพวกกองเปลี่ยนอันนี้ไปด้วยกันหน้าใช่ไหมองทางกันดานนะครับใจความของบทที่เหลือชัดเจนแล้วแทะอ่ะชัดเจนเลยอันหนึ่งสินค้าบทนี้มีวิฒิชยัยต่ต่อไปนี้เมื่อพิสูจนอยู่ในอากาศปิยะภูมินะครับเช้าชวนเพราะการเช้าชวนต่อบรรทุกเกาก่อนอยู่ในอากาศปิยะภูมิเดี๋ยวจะเป็นยังไงในคําว่าอากาศปิยาภูมิ ไว้สถานที่อยู่ของนาบพิษุณีสำนักพิษุณีที่อยู่พิสุณีนะสถานที่ระหว่างวัดไม่ต้องเปลี่ยนไป็นในวัด น, นะครับระหว่างว่าจชิงงงว่าระหว่างวัดเอาตรงไหนกันแะน่ในวัด น, นะครับโรงฉันสมัยก่อนก็นกจะมีโรงฉันกลางบ้านนะเขาจะทำไว้ในหนึ่งบ้านนะเขาจะสร้างโรงฉันเลยเ mm hmm. วลาพระบิดาปาาเสร็จมาก็มาฉันในโรงฉันกลางบ้านได้เลยนครับ mm hmm. ครับไปในบ้านเลยนะครับนี้คือระหว่างว่าเราผมก็งงว่าเอ๊ะมันวัดประเทศไทยมันก็มันมีทั่วประเทศใช่ไหมมันก็ระหว่งว่าไปหมดเลยก็ไม่ต้องอาบัตรอะไรแบบนี้ค่ะคือสถาบันนี้มันแปลว่าในไดนะครับภายในวัด น, นี้นะรองฉันที่อยู่ของพู้อินธีคือถ้าชวนในสถานที่เหล่านี้นะครับจะไม่ต้องอาบัตผู้กดข้อการชวร แต่พอเดินไปด้วยกันก็ต้องกลับไปอีตีอยู่ดีนะเห็นแต่ว่ามันต้องพรอะการชวนเฉยๆนะรั mm. ถ้าเดินไปด้วยกันก็ไม่พ้นแต่ถ้าไม่ไชวนสถานที่เหล่านี้ชวนที่อื่นนะก็อย่าชวนก็ต้องกบบทุกกฎพอไปด้วยกันก็ต้องไปอีตีสถานที่นอกจากนี้ชื่อว่ากัปปิยภูมิอธิบายว่าพิสูจชักชวนอยู่ใ น, นกัปปิยาภูมินั้นครับคันชักชวนเสร็จแล้ว ไม่ได้มีการผิดนะั่นนะไม่ผิดนั่นเลยตามเวลาที่กําหนดไว้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ถึงจะผิดประตูหรือหนทางที่นัดกันไว้เมื่อเดินไปพร้อมกับการกํา น, นางพิษุนีนะครับถึงจะผิดประตูนะ่ะเราจะบอกว่าเจะออกไปทางประตูนี้ใช่ไหมแต่ก็ผิดประตูนะครับเก่าวไปผิดประตูหนึ่งแต่ก็ไปด้วยกันแหละนะนะครับ แม้แต่หนทางก็เหมือนว่าชัวรว่าจะไปตามทางนี้อนะแต่เวลาไปจริงกลับไปกันอีกทางหนึ่งนะครับไปด้วยกันในทางอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนั้นนะผิดนั้นคือผิดวันเวลานครับอันนี้นะเมื่อเดินไปพร้อมกับนางพิสุนีตราบใดนะครับที่ยังไม่เดินเลยเขตของหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดนี่ไงหมูหม่บ้านใกล้เนี่ยไม่นับใช่มัไก็ต้องเดินไปหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดนะครับ กันเป็นที่พวกมนุษย์พากางกําหนดไว้ว่าสถานที่นี้เป็นเขตของหมู่บ้านนี้ตราบนั้นชื่อว่ายังไม่ต้องอาบัดแต่เมื่อเข้าถึงเขตของบ้านนะั้นเมื่อก้าเท้าแรกต้องมาทุกคนนะครับก้าเท้าที่สองต้องบัตรปาจิตอีนะครับเพราะเห็นนั้นจึงมีการต้องอาบัดหลายตัวด้วยการนับการเข้าไปยังเขตของหมู่บ้านนะ ของหมู่บ้านเรานลนในปราช น, นะครับถ้ามีรั้วมีกมําแพงก็ร่วมกมําแพงใช่ไหมถ้าไม่มีกม็ที่เตียงก็าลินไปนะครับถือว่าเขตตรงนั้นตรงนั้นนะแต่ถ้าในที่เดินผ่านครึ่งโยกก็ยังไม่มีหมู่บ้านเลยนะครับต้อมบอกไปดีด้วยการนับคงละครึ่งโยกมันจะมีการนับกันกันนะ เ, เวลาอะไรนะเวลาไปหมู่บ้านนะครับ แต่หนอาอ้าบอวิการเข้าไปแต่ในหมู่บ้านแต่ในหมบ้าแต่เวลาไม่อย <Christ>. ู <Hum laut> ่มากบ้า <bubble> น <UC satisfy> ี่ย <absorbed> นับเอาการเลยเลยแต่ละครึ่อโยกครึ่งโยคึโยปีเาแปะที่มือขาวผ่ใช่อาเลยนะพอเลยแปก็โดนเลยแปะก็โดนแต่ถ้าอยู่หมบ้านออกเข้านะครับพอเข้ามู่บากเข้ามบ้านก็นดนก็โดนตาันนีเหุเกิดและประเทอาบนะครับสิ่ข้าวบทนี้เมื่อผ่านจ้าทรงปางลบที่จตุจักรพิทในเมืองสาบถี ทรงบรรยัติว้แล้วเพราะเห็นคือการชักชวนนักพินิีรเดินทางไก่สิครับวันนี้มีอนุบัญญัติคือไว้ไวแต่ท่าวนะแต่อนุบัญญัติเป็นอาส า, าธนาณับัญญัติีิจิตรนม่มีนะพิจิีรก็ชวนพิจิีรก็เปนไหนะครับอ น, นันติกะไม่เกี่ยวกัารใช้นะครับต้องไปเองเราคนที่เดินทางไปนะเป็นติกาไปอีกทีเป็นการชักชวนนครับเข้าใจสง ส, าสงสัยความผิดเดินไปด้วยกัน ต้องมาทั้ง น, นั้นนะครับยังไม่ช่างชวนกันสําคัญว่าช่าชวนหรือไม่แน่สงสยัยจะดีนะยังไม่ได้ช่างชวนหรอถ้าไม่เข้าใจเผิดว่าเป็นการช่าชวนนะครับหรือสงสัยนะอันนี้ก็ต้องมแล้วก็ไปด้วยกันก็ต้องทุกคนนะครับที่สุดชวนฝ่ายเดียวเนี่ยภาชวนฝ่ายเดียวนี่ก็ต้องมาทุกคนนะครับพี่สุดนี้ไม่ได้ช่างชวนด้วยก็ดีต้องอานบัตทุกคนอาาบัตที่สุดชวนในเวลาสมควร แล้วเดินทางไปด้วยกันก็ดีที่ว่าไปกับพวกกองเกวียนหรือมีอันตรายในอันนั้นได้ชวนไปได้เรือไรนะครับ <c oughs> ตอนไม่ได้ชวนนะครับตอนไม่ได้ชวนพิจิตรีเขาชวนฝ่ายเดียวใช่ไหมอันนี้ก็มันเป็นไรหรือผู้หญิงเขชวนฝ่ายเดียว น, นี่ก็เลยเป็นไ ร, นรับ <c oughs> ผิดนั่งก็ดีนะครับผิดวันเวลาอานันะเอาวันเราบอกเอาไปวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าผิดนั่งกลับไปผู้นี้แทนนะครับวันนี้กําหนดอะไร เก้าโมงเก้าโมงตรงหมอลอหมุนเราก็เหละเวลาสักสิบนาทีเนี่ยอ้ามันไม่ตรงนั้นเนี่ยเหละเวลาสกอ้าสิบนาทียกสี่โมงสี่สิบเนี่ยอะไรแบ้นี้ตอบร้อนขึ้นนะเราก็เห็นนะแล้วก็อะไรนะ เดินทางไปเพราะเกิดอันตรายก็ดีเนี่ยได้ครับที่สูจนบ้านเป็นต้นก็ดีไม่ต้องหาบัตสิขาคนนี้มีองค์ห้าเหล่านี้คือหนึ่งอันนี้การนะ่ะเกี่ยวกับเกิดอันตรายทัานพูดถึงว่าเวลาหมู่บ้านหรือว่าเมืองมันเกิดกุลาหลขึ้นอย่างนี้ยนะมีจอนมาล่อมสมัยก่อนเนี่ยจรเยอะนะครับหรือเกิดกบฏมีข้าศึกมีอะไรจะมาลบเตียวบ้านเมืองนะนี้คนก็อพยพกันแจ้าละหม่นนะครับ ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครต่างคนก็หนีตาย ก, ก่อนใช่ไหมถ้าในสมัยนั้นนะครับเช่าชวนไปได้เลยไม่เป็นไรแบบพิสุนีน ะ, นะองอาบาสิกาบทนี้มีองห้าเหล่านี้คือหนึ่งทั้งสองในทั้งสองเลยนะชวนกันเดินทางไปด้วยกันสองไม่ได้ผิดนั่นนะครับองลอยสองวางเวลาเลยเที่เขาสามไม่ได้มีสมัยที่จะไปด้วยกันได้สี่ไม่มีอันตราย ถ้าเข้าไปยังเขตบ้านอื่นก็คืออีกบ้านหนึ่งนะหรือในที่ไม่มีหมู่บ้าน <c oughs> กำหนดการเดินเลยครึ่งยอดไป <c oughs> แต่เมื่อเดินไปกับหญิงมีหญิงคือนาะพิจุนีที่บวชแต่งพิจุนีสองฝ่ายเด่นเป็นต้นเพราะพิจุนีในสินค้าบทนี้เนี่ยเอาพิจุนีที่บวชได้สงสองฝ่ายนะครับหรือว่าพิจุนีที่อะไรนะบว่าพิจุนีสองฝ่ายเดียวแต่ถ้ า, นะาพิจุนีที่บวชจะพิจุนะนีสองฝ่ายเดียว หรือสิกขาอมานาสามเนี่หรือผู้หญิงทั่วไปนะก็จะเป็นต้องจะเป็นต้องตามบัตรอีอนะข้อช่างช น, นึงทางกายกบผู้หญิงครับคำนิชแฉก็จะเหมือนกันนะอ่าแต่ต้อตบอั ต, ต า, าจิตติตามมาตุคามสิกขาบทจะเจข้างหน้าสิกขาบทนี้เป็นอัฏฐานาอัฏฐานนั่นก็ทางไกลไนงะเกิดทางกายทางกายกับวาจา ทางกายกับจิตทางกายวาจากับจิตนะครับวทางกายเนี่ยเป็นยังไงครับเชื่อที่มาหรือครับใช้ภาษามือภาษ่าใบาใช่ไหครับใช่ะะครับทีนี้เขาบอกว่าไม่มีจิตนะครับมันเป็นยังไงแต่าายังภาษาภาษ่าใบช่วยกันได้นะรู้เรื่องครับแต่ว่าไม่มีจิตเนี่ยเป็นยังไงครับเนี่ยต้องมีช่วยเพรา่าสองฝายนี่แต่ไม่มีจิตนะครับเป็นยังไงนี่ นี่เรายากกันนะเรงเราเลยไม่มีอะไรให้จับใช่ไคือไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นการแท่นฉวยนะครับเนี่ยสามมันภาษามมันไปด้วยกันนะแต่ถ้าเขาจะไม่ได้เป็นการแท่นฉวยจริงครับอันนั้นนะถือว่าไม่มีจิตนะครับแต่ววามจริงเป็นการฉวยแล้วนะการช่วยด้วยการแล้วก็เดินทางไปด้วยการก็ต้องอับบาททางการกับวานใจก็ทางการนั่งวาร์ให้ไหมช่วยด้วยการแล้วก็ไปด้วยวาร์จไม่มีจิตก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็การกับจิตมีจิตก็คือรู้ทั้งรู้นะว่าเนี่ยเป็นการเชิญชวนชวนด้วยกายไปด้วยกายหือชวนด้วยวาจาไปด้วยกายก็ได้ครับมันเคยมีทั้งสี่นะกายการวาจาการจิตการวาจาจิตเนี่ยถ้าเรานึกถึงความที่วาจเนี่ยนะเราก็จะมองผ่ามว่าอ้อเป็นกายยังไงมีแค่กายวาจาเป็นระอย่างเป็นยังไงครับพอคำถามเอ้าอภัณฑสมานเป็นยังไงสมาธิที่ชวนในทางกายกับผู้หญิงหรือผู้หญิเป็นยังไง เราจะนึกนะออกนี้นะให้ดูคำอธิบายให้จําจําตัวสุนฐานได้ครับแปลงกิริยาต้องพกทธธรรมนะครับชวแล้วก็ไปด้วยกันโนสัญญาพิโมไม่รู้ก็ไม่พ้นอ จ, จิตการู้ไม่รู้ต้องบัดทั้งนั้นนะครับปณติวัชชัไม่ได้เป็นแต่กุศลจิตอย่างเดียวเป็นใจกลับก็ได้เ้าชวนด้วยกายแล้วก็เดินทางไปวจีกรรมก็ได้ คือมันไม่ได้เป็นวาจีอย่างนี้แนละหมายเพราะว่ามันมีท่านการยักรรมวาจีกรรมนะจิตสามิธนาสามอะไรนะจบการอธิบายสามวิธานะสิกขาบทเจ้าดครับ